วันนี้เป็นวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคาบูชาเป็นวันที่ตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม คำหมายของคำว่ามาฆบูชาก็คือการบูชาในเดือนมาฆะนี่เดือนมาฆานี่เป็นชื่อของเดือนสามในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์ที่สำคัญปรากฏขึ้นในวันนั้นก็คือมีพระภิกษุ 1250รูปได้เดินทางมาเฝ้านมัสการพระพุทธเจ้าจากทิศ ต, ต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนและพาพภิกษุทั้ง1250รูปนี้ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์สาวบของพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและได้นำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอารหันตสาวกคือเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสเป็นผู้ที่สิ้นสุดของความทุกข์ในจิตใจและสิ้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิด พระอาหารหันตสาวกทั้งหนึ่รรูปนี้ได้บวชจากพระพุทธเจ้าได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกแล้วก็ขอพระพุทธเจ้าให้บวชให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมา หลังจากที่ได้บวชแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้พระอารารทั้งหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปนี้ได้แยกทางกันไปตามทิศ ต, ต่างๆเพื่อที่จะได้นำเอาคำสอนนันประเสริฐที่ทำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ศึกษาได้ยินได้ฟัง และได้นำมาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ได้ไปประมาณเจเดือนก็พอดีตรงก็ใกล้ถึงวันแผ่นเดือนสาวันมาฆะบูชานี้พาพภิกษุทั้งหนึ่งสองรห้าิรูปนี้ ตามตำราท่านบอกไว้ว่าก่อนที่จะมาเป็นพระภิกษุได้เป็นนักบวชของศาสน า, าพราหมณ์และศาสน า, าพราหมณ์นี้มีวันสำคัญคือวันเพ็ญเดือนสามวันมาฆระบูชานี้เขาถือเป็นวันสำคัญเพราะว่าเป็นวันที่เขาจะบูชาพระศิวะและทำการถ่ายบาตร้างบาต ด้วยการลงไปอาบน้ำตามแม่น้ำลำธารต่างๆเหล่าบรรดาผ้าหลานตะสาวกทั้งหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปที่อยู่กระจัดกระจายกันในทิศ ต, ต่างๆพอคิดถึงวันเพ็ญเดือนสามนี้เคยไหว้พระศิวะเคยบูชาพระศิวะเคยอาบน้ำล้างบาปแต่ก็ไม่เป็นการสำเร็จ ไม่ได้ทำให้บาปด้วยความทุกข์ที่เกิดจากบาปนั้นหายไปได้แต่หลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถล้างความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้จึงเกิดความสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ก็เลยอยากจะใช้วันเพ็ญเดือนสามนั้นเป็นวันมาบูชาพระพุทธเจ้ากันจึงเป็นเหตุที่ทำให้พระอารานตัสสาวงทั้งหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปนี้ได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนและในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดแสดง พระธรรมเทศนาที่มีชื่อว่าพระโอวาทาปาติโม ค, คือทรงสอนหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาว่ามีอะไรบ้างทรงตัดว่าทรงสอนว่าให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างกุศลบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสาม ให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้านี้ไม่มีเพียงแต่พระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือกันในขณะนี้องค์เดียวมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้มาตารัสรล่ในโลกนี้และมาเผยแผ่พระธรรมคาสอน ในโลกนี้มามากมายหลายหลายพระองค์ด้วยกันแต่ระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เป็นระยะเวลาที่ห่างไกลกันมากนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาค้นพบสัจธรรมความจริงที่เกี่ยวกับวิที่เกี่ยวกับความทุกข์ว่าทุกข์เกิดจากอะไร และจะทำอย่างไรให้ความทุกข์ที่มีในใจของสัตว์โลกนั้นหายไปหมดได้จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้สัจธรรมความจริงเหล่านี้อยู่เรื่อยๆทั้งในอดีตที่แสนานานที่ผ่านมาและในอนาคตที่แสนยาวไกลที่จะตามมาต่อไปจะมี พระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้อยู่เรื่อยๆและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อมาตัดสรู้พระธรรมอันประเสริฐแล้วก็จะนาเอาพระธรรมคาสอนนันประเสริฐนี้มาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายให้เราได้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในจิตใจของพวกเราให้หมดสิ้นไป เพราะพวกเราทุกคนนี้ไม่ต้องการความทุกข์กันต้องการแต่ความสุขแต่การกําจัดความทุกข์หรือการป้องกันความทุกข์นั้นที่พวกเราทํากันไม่ได้เป็นวิธีที่จะทําให้ความทุกข์หมดไปแต่อย่างใดแต่กลับจะทําให้ความทุกข์ที่มีในใจของพวกเรานั้นมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล ว, วิธีสร้างความสุขให้กับจิตใจก็ไม่ได้เป็นวิธีที่สร้างความสุขให้กับจิตใจอย่างแท้จริงแต่กลับจะกลายเป็นสะการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มขึ้นมาในใจอยู่เรื่อยอันนี้พวกเราถ้าไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะไม่สามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ป้องกันความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นในใจของพวกเราได้เลยและไม่สามารถสร้างความสุขให้อยู่กับใจของเราเป็นความสุขที่แท้จริงได้เลยสิ่งที่เราทํากันในขณะนี้มักจะกลายเป็นความทุกข์กันทั้งนั้นทั้งๆที่เราคิดว่าเรากําลังสร้างความสุขให้กับตัวเรา แต่ทําไมความทุกข์ใจของพวกเราจึงไม่มีวันหมดไปเสียทีต่อให้เราหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเรามากําจัดความทุกข์ที่มีใ น, ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปแต่สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะ ทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของพวกเรานี้หมดสิ้นไปได้และไม่สามารถสร้างความสุขให้อยู่กับใจของเราไปได้ตลอดเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราที่จะดับความทุกข์ใจของเรานี้มันเป็นสิ่งตรงกันข้ามสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรานั้นกลับมาให้ความทุกข์กับเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สิ่งที่จะดับความทุกข์ให้กับเราก็กลับมาสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพวกเราจึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี้จะต้องมาเจอกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือก็ได้ หรือพบกับพระอาหารหันตสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าหรือพบกับคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้และได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนจากพระไตรปิฎกเราก็จะได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีดับความทุกข์ สร้างความสุขให้แก่จิตใจของพวกเราเน้นต้องทําอย่างไรบ้างหรื อ, รอถ้าเรามีโอกาสได้พบกับพระอาหารหันตสาบุก ข, ของพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนวิธีดับความทุกข์สร้างความสุขให้กับใจของเราอย่างถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในวันมาฆ บ, บูชานี้ก็คือการปฏิบัติสามประการด้วยกัน ตัวหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นเหตุของความสุขให้เกิดขึ้นให้ให้ถึงพร้อมและสามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าจิตใจในขณะนี้มีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่คอยสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับใจอยู่เรื่อยๆ และเป็นผู้ที่จะคอยดึงให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีกิเลสตัณหาก็จะถูกกิเลสตัณหานี้ชักจูงดึงให้ไปเกิดใหม่ให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะกิเลสตัณหา ต้องการที่จะใช้ mm hmm. ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขน nee. bon ั่นเองต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การที่จะเสฟรูปเสียงกลิ่นรสผดพภะชนิดต่างๆได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์ในร่าฉาน จึงเป็นเหตุที่ทําให้จิตใจของพวกเราทุกดวงหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะต้องกลับมาผุดมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานกันใหม่ต่อไปอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อมาเกิดแล้วก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ของการดํารงชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะทําให้อยู่รอด ช, ชีวิตอยู่รอด แล้วยังก็ต้องมาทุกข์กับธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปถ้าถ้าไม่มีการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดเหตุที่ดึงให้จิตใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆจิตใจก็จะต้องก็ยังจะหนีพ้นหนีไม่พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองอ จึงต้อจึงจำเป็นที่จะต้องชำระใจให้สะอาดถ้าต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเรานี้หยุดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปก่อนชีวิตของเรานี้วันวันหนึน่งนี้เราต้องไปดิ้นลอนทำมาหากินหากิ น, ห า, ก น, ห, ากนหาอยู่ หาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอมาให้ความสุขกับพวกเราถ้าพวกเราไม่มีธรรมะคําสั่งคําสอนพวกเราก็จะไปทําบาป ก, กันเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้กันแล้วพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็อาจจะได้ความสุข ความดีใจเชื่อขณะที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่หลังจากนั้นแล้วความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นในใจของเราทุกครั้งที่เราทำบาปทุกครั้งที่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นทุกครั้งที่เราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะผู้อื่นเขาก็จะต้องมาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเรานั่นเอง มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าเราทำบาปแล้วเราก็จะต้องรับผลของบาปก็คือความทุกข์ใจต่างๆนั่นเองอสังเกตดูเวลาที่เราทำบาปไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์เป็นการลักทรัพย์เป็นการประพือติดกระเพณีหรือเป็นการพูดปดนี่จิตใจเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจอันนั้นแหละคือความทุกข์ใจ ที่เกิดจากการกระทำบาปของพวกเราถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมีความทุกข์ใจก็อย่าทำบาปเวลาที่เราอยากได้อะไรต้องการอะไรมาให้ความสุขกับเราก็ขอให้เราหามาโดยวิธีที่สุดจริญคือวิธีที่ไม่ทำบาปนั่นเอง <c oughs> เราสามารถหาสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดารงชีพเช่นปัจจัยสี่ อาหารเครื่องนึ่งหง่มที่ว่าใส่ยารักษาโรคที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพวกเราทุกคน mm hmm. พวกเหลานี้สามารถที่จะหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายของพวกเราได้โดยที่ไม่ต้องทำบาป mm hmm. ถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ ได้ผลของบาปตามมาด้วยคือความไม่สบายใจความทุกข์ใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันเพราะเราทุกคนทุกวันนี้อยากจะมีแต่ความสบายใจไม่อยากจะมีความทุกข์ใจแต่เรามักจะไปเจอกับความทุกข์ใจเพราะว่าบางทีเราไปทำบาปกันแล้วพอผลของบาปปรากฏขึ้นมามันก็ทำให้เรา ทุกใจไม่สบายใจกันนั่นเองเช่น mm hmm. ถ้าเราไปทำร้ายชีวิตของผู้ mm hmm. เราก็จะต้องหลบหนี mm hmm. การตามจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตารวจ mm hmm. เราก็จะต้องอยู่แบบ mm hmm. ทุกข์ทรมานใจอยู่แบบหวาดระแวงหวาดกลัวกับการที่จะต้องถูกจับไปลงโทษและก็ไม่ช้าก็เร็ว mm hmm. ก็ อาจจะต้องถูกจับไปลงโทษได้อันนี้ก็คือผลที่เกิดจากการทำบาปพระพุทธ เ, เจ้าจึงสอนถ้าพวกเราไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทธรรมบาป ก, ก็ให้เรารักษาศีลห้าไว้ให้ดีละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเพณี ละเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงแล้วก็ละเว้นการเสพอบายมุข ค, คือสุรายาเมามการดื่มสุรายาเมานี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทำบาปโดยตรงแต่เป็นการช่วยหรือส่งเสริมให้ผู้ที่<ม>ผู้ที่ยังไม่ได้ทำบาปนี้ไปทำบาปได้ง่ายขึ้นเพราะว่า เวลาดื่มโซาเข้าไปแล้วจะเกิดอาการขาดสติเกิดอาการมึนเมาขาดสติที่ไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดการพูดและการกระทาของตนเองได้ mm. เวลาคิดไม่ดีคิดจะทำบาปก็ห้ามไม่ได้พอคิดพอห้ามการคิดทำบาปไม่ได้ก็มักจะปล่อยให้ไปทำบาป ด้วยทางวาจาก็ดีด้วยทางการกระทำทางร่างกายก็ดี mm hmm. ก็คือพอเมาแล้วก็อาจจะไปพูดปด mm hmm. อาจจะไปประพฤติผิดประเพณีอาจจะไปประพฤติไปรักทรัพย์ของผู้อื่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต mm hmm. แล้วพอได้กระทำบาปโทษของบาปมันก็จะตามมาทันที เช่นคนที่ดื่มสลาจนกระทังเกิดอาการมืนเมาแล้วก็ยังไปขับรถอยู่ขับรถ<ม>เวลาขับรถก็ไม่สามารถที่จะควบคุมรถยนต์ให้วิ่งได้อย่างปลอดภัย<ม>พอมีเหตุฉุกเฉินเหตุกระทนหันขึ้นมาก็ไม่สามารถยับยัง้งรถยนต์ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไปทำให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้และอาจจะเกิดความเสียหายให้กับตนเองด้วย<ม>การกระทา<ม>การดื่มสุรายาเมาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทา<ม>ถึงแม้ว่าถ้าดื่มแล้วไม่ได้ไปไหนดื่มแล้วเข้านอนอย่างนี้มันก็ไม่ควรที่กระทาเพราะว่าเมื่อมันดืมมน่มแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัย แล้วมันจะไม่ได้เข้านอนทุกครั้งไปเวลาไปดื <S <S ่มแล้วไม่ได้นอนแล้วไปมีการกระทำไรต่างๆก็มักจะไปทำในสิ่งที่เสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นทำให้เกิดโทษกับผู้กระทำเองและกับผู้ที่ถูกกระทำด้วยกันการเสมาบายมุคคือสุรายาเมาจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำบาป ไม่ควรเสพอบายามุขนอกจากการเดิมสุรายาเมาแล้วยังมีอบายามุขนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันสุรายาเมาข้อหนึ่งข้อสองก็คือการเล่นการพนันข้อสก็คือการเที่ยวเตะข้อสก็คือความเกียดค้านข้อห้าก็คือ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 ถ้าเขาชอบความเกียดติค้าน<ม>เขาก็จะชวนให้เราเกียดติค้าน<ม>ซึ่งการกระทาเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสร้างทรัพยากรทรัพสมบัติเท<ม>่าของเงินทองขึ้นมาแต่อย่างใดแต่เป็นการดูดหรือทำลายทรัพย์สินที่มีอยู่ให้หมดไปเช่น<ม><ม>ถ้าเล่นการพนันนี้เวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อ<ม><ม>เวลาเสียก็ไม่ก็อยากจะได้คืน ก็เล่น huh. ต like mm ่ออีกเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ต้องหมดไปพอหมดไปก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นต่อเพราะยังอยากจะได้คืนแล้วพอกู้หนี้ยืมสินเล่นไปจนหมดก็ต้องก็ต้องไปทำบาปไปหาทรัพย์สินโดยวิธีกระทำบาปด้วยการโกหกหลอกลวงช่อโกงหรือด้วยการลักทรัพย์ เพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้นี่บางคนก็ถึงกับต้องไปป้นไปจี้ตามร้านขายของต่างๆเพื่อที่จะนำเอาเงินทองที่ไปป้นไปจี้นี้มาใช้เจ้าหนี้เขาเพราะถ้าไม่ใช้เจ้าหนี้เขาเดี๋ยวก็ถูกเจ้าหนี้เขาทำลายร่างกายได้อันนี้เป็นโทษของอบายามุกไม่มีไม่มีประโยชน์มีแต่โทษกับผู้ที่ไปเสก เล่นการพนันนี้เขาว่ามันร้ายกาจยิ่งกว่าการมีขโมยขึ้นบ้านการเวลาขโมยขึ้นบ้านขโมยก็ขโมยได้แต่ทรัพย์สินข้าวของเงินทองไปบ้านยังอยู่ที่ดินยังอยู่แล้วก็ร้ายกาจกว่าการที่ไฟไหม้บ้านเวลาไฟไหม้บ้านนี้ก็ทรัพย์สินข้าวของเงินทองกับบ้านก็ถูกไฟเผาไปหมดแต่ที่ดินยังอยู่ แต่การเล่นการพนันนี้สามารถเอาไปได้หมดเลยทุกอย่างทั้งทรัพย์สินเข้าของเงินทองทั้งบ้านและที่ดินพอเล่นไปแล้วก็จะต้องขายทรัพย์สินไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเวลาเล่นไปเงินทักเงินทองไม่พอก็ต้องขายทรัพย์สินต่างๆไปนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะว่าเมื่อทำแล้วมันจะทำให้ไป ไปทำบาปต่อไปเมื่อไม่มีเงินทองเหลืออยู่แล้วก็ต้องไปลักไปขโมยไปป้นไปจี้เงินทองของผู้อื่นมาเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงชีพของตนเองและเพื่อที่จะเล่นการพนันต่อไปนั่นเอง mm hmm. อันนี้คือตัวอย่างของอบายามุขอบายามุขนี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษอ mm hmm. าจจะให้ความสุขแบบประเดีวิวปรบดาวเพิดเพลิน เล่นการพนันก็มีความสุขเพลิดเพลินดื่มสุรายามเมาก็เพลิดเพลินไปเที่ยวก็เพลิดเพลินความเกลียดค้านก็ทาให้มีความเพลิดเพลินแต่ไม่มีการผลิตรายได้ขึ้นมาเมื่อไม่มีรายได้เข้ามาก็จะต้องไปหารายได้ที่ที่ไม่สุจริต น, นั่นเองไปทำบาปดังนั้นจึงไม่ควรที่จะเสพอบายามุขและไม่ควรกระทาบา ถ้าเราไม่ต้องการที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราอันนี้คือข้อที่หนึ่งในการกำจัดความทุกข์ที่เกิจดจากการกระทาบาปต้องละอบายามุขไม่เสดอบายามุขแล้วก็ไม่ทำบาปอยอมทุกข์ยากลำบากอดอยากขาดแคลนดีกว่าที่จะไปทำบาเพื่อให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายทางร่างกายแต่จิตใจของเรานี้มันกับทุกทรมานใจมันจะต้องมีความหวาดผวาหวาดกลัวกับโทษที่ตนเองได้ทำเอาไว้ว่าจะเกิดผลขึ้นมาเมื่อไหร่สู้ยามอยู่แบบอดอยากขาดแคนแต่ไม่ได้ทำบาปจะดีกว่าเพราอใจจะเย็นใจจะสบายนอนตาหลับไม่หวาดวิตกกังวลกับ กับบาปที่ตนเองได้ทำเอาไว้นี่คือวิธีข้อที่หนึ่งในการที่เราจะกาจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจของเราก็คืออย่าคิดทำบาปอย่าพูดบาปอยา่าอย่ากระทำบาปถ้าเราไม่คิดไม่พูดไม่ทำบาปแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาในใจของเราได้ และโทษของบาปนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่โทษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เท่านั้นโทษของการกระทำบาปนี้ยังมีผลต่อจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายด้วย mm hmm. เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเราทำบาปไว้ mm hmm. บาปนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะเดิมให้จิตใจของเรานี้ลงไปเกิดในภพที่ต่ากว่าของมนุษย์ mm hmm. เราตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันอยู่แต่ถ้าเราได้ทําบาป ก, กันไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มลดภพของมนุษย์ของเราให้ลงไปให้ต่ากว่าภพของมนุษย์ซึ่งภพของภพที่ต่ากว่ามนุษย์นี้ก็มีอยู่สี่ภพด้วยการที่เรียกว่าอบายสี่ได้แก่ภพบของสัตว์เดรัจฉานภพของเปรตภพของอสุ ร, รกายและภพของนรก อันนี้เป็นที่ไปสาหรับผู้ที่กระทำบาปด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปถ้าทำบาพเพื่อเลี้ยงชีพนี่ท่านบอกว่าเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณหรือจิตใจนี้จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในราชานไปใช้กรรมให้หมดก่อนถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ใหม่ถ้าทำบาด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย ที่มีชื่อว่าเปรตเรียกว่าเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัว <Yeah. S 1> ก็จะไปเกิดเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว <Yeah. S 1> เรียกว่าอสุรกาย <Yeah. S 1> และถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรม <Yeah. S 1> เวลาตายไป <Yeah. S 1> ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่ ที่มีชื่อว่านรกก็จะถูกไฟนรกของความอาฆาตพยาบาทเครียดแทนนี้เผาจิตเผาใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นโทษที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้หนีได้โทษในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้บางทีก็หลีกเลี่ยงหรือหนีหลบหนีได้เช่นทำผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้ถ้ามีทรัพย์มีเงินมีทาง ที่จะสามารถซื้ออะไรต่างๆมาป้องกันไม่ให้ไปติดทุกข์ติดตารางก็ได้แต่มันก็ป้องกันได้แต่เฉพาะในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นแต่พอหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี้โทษยังไม่หมดโทษยังอยู่กับใจบาปที่ทำไว้มันยังติดอยู่ในใจและบาปที่ติดอยู่ในใจนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะ ส่งให้ใจไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆ<ม>ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการกระทำบาปว่าทำด้วยเหตุผลอานใด<ม>ทำบาปด้วยเพื่อเลี้ยงชีพก็ไปเป็นสัตว์ในราฉาทำบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอนุสุลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาาบาทก็ไปนรก แล้วก็จะต้องไปอยู่ในสภาพเหล่านั้นจนกระบาปที่ได้ทําไว้หมดกําลังลงถึงจะได้มีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราไม่ทําบาปเลยถึงแม้ว่าเราจะอดอยากขาดแคลนเราก็ยอมอดยอมอดยอมทนอยู่แบบทุกข์ยากลําบากทางร่างกายแต่จิตใจของเราไม่มีโทษไม่มีบาปติดอยู่ในใจเวลาตายไปน เราก็สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ทันที mm. มารอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปได้เลย mm. โดยที่ไม่ต้องที่ไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนอสุลกายหรือไปตกนรกแต่อย่างใด mm. อันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม mm. ถ้าทําแล้วจะต้องจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนไม่ช้า ก, ก็เร็ว mm. ผลทางขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ตายแล้วไปแล้วนี้เกิดขึ้นกับทุกๆดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีบาบนี้จะต้องไปรับผลบาปในอบายด้วยกันทุกๆดวงถึงแม้ว่าในขณะที่มีขณะที่มีชีวิตอยู่สามารถหลบหนีการลงโทษได้ก็ตามแต่ โทษของบาปมันยังไม่ได้หมดมเวลาที่ตายไปแล้วโทษของบาปก็จะเริ่มเริ่มมีผลทันทีพอตายไปครับดวงวิญญาณก็จะไปเป็นไปอาบายทันทีสำหรับผู้ที่กระทำบาป น, นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำบาปสร้างให้มีแต่ความทุกข์ให้แก่จิตใจของพวกเราทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะให้ตัวของพวกเราจิตใจของพวกเรานี้ตกอยู่ในความทุกข์ก็พยายามรักษาบาปก็รักษาศีลกันอย่าทําบาปกันวิธีที่จะทําให้เราไม่ทําบาปกันก็คือให้เรามีฮิริโอตตปะฮิริก็คือความละอาย เพราะการกระทำความชั่วนี้ไม่เป็นสิ่งที่มีใครเข้ายกย่องสรรเสริญมีแต่คนตำหนติติเตียนถ้าเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะให้คนเขาเคารพนับถือเรา<ม>เราก็ต้องมีความยางอายอายในการกระทำบาป<ม>แล้วก็ให้มีโอตปะคือความกลัวของผลของบาปที่จะตามมาทำบาปแล้วทำผิดแล้ว ก็อาจจะถูกจับลงโทษในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาถูกจับลงโทษก็จะต้องเกิดความเสียหายเกิดความสูญเสียเคยมีงานมีการมีตำแหน่งที่ดีพอไปทำผิดกฎหมายทำบาปก็อาจจะถูกจับไปลงโทษถูกจับไล่ออกจากงานการที่ทำอยู่รายได้ที่เคยมีก็จะหดหายไปก็จะอยู่อย่างทุกข์ยากลำบาก ไปติดคุกติดตารางหรืออาจจะไม่ติดคุกติดตารางก็ได้ถ้าไม่มิถ้าถ้าหลบโทษได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่เวลาตายไปก็หลบไม่ได้เพราะกฎแห่งกรรมนี่เป็นของตายตัวไม่มีใครหลบได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามะจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนกฎแห่งกรรมได้ ไม่สามารถไปรับล้างกฎแห่งกรรมได้ถ้าทํากรรมแล้วทําบาปแล้วบาปนี้มันจะติดอยู่ในใจของเราไปถ้าเราไม่อยากที่จะไปเกิดในอ้ายถ้าเราคิดว่าเราเคยทําบาปมามากในอดีตเราก็มีวิธีที่จะยับยั้งหรือชะลอการการเกิดผลของบาปได้ ด้วยการทําบุญทํากุศลต่างๆให้ถึงพร้อมนี่คือคําสอนข้อที่สองของพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดว่าเราเคยทําบาปมาในอดีตแล้วตอนนี้เรากลัวกับผลบาปที่จะตามมาแต่เราไม่สามารถที่จะกลับไปลบล้างบาปที่เราทําได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลมาต้านผลของบาปได้อยู่ถ้าเราหมันทําบุญทํากุศลอยู่เรื่อย ใจิตใจเราก็จะเย็ยนใจิตใจเราก็จะสงบจิตใจเราก็จะมีความสุข<ม>ทำให้ผลของบาปที่ปรากฏในใจนี้มันยังไม่สามารถที่จะแสดงผลได้<ม>เช่นสมมุติว่าเวลาที่เราตายไปนั้นถ้าเราได้ทำบุญไว้มากกว่าทำบาปเนี<ม>่ยบาปที่จะดึงให้ใจของเราไปเกิดในอบาบนี้ยังไม่มีกำลังพอ เพราะกำลังของบุญมีกำลังมากกว่าบุญนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่จะดึงใจของเราให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นเทพชั้นต่างๆด้วยกันมีหกชั้นด้วยกันเช่นสวรรค์ชั้นดาววันหนึ่งสวรรค์ชั้นนิมานอะไรต่างๆอันนี้สวรรค์ชั้นดุสิตมีอยู่หกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับการทำบุญว่าทำมากทำน้อย ทำมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงเพราะมีความสุขมากขึ้นไปตามลำตามลำดับทำน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ำลงแต่ก็ดีกว่าทำบาปทำบาปแล้วจะต้องไปติดเหมือนกับไปติดคุกติดตารางทำบุญนี้เหมือนกับได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังนั้นถ้าเรากลัวบาปและไม่อยากจะให้ผลบาปนี้มันปรากฏขึ้นมา เราก็สามารถต้านมันได้เราไปล้างมันไม่ได้แต่เราสามารถต้านมันไม่ให้มันแสดงขนได้ถ้าเราทำบุญให้มากกว่าบาปนะบุญกับบาปนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับวัวที่ลากจูงเกวียนนี้วัวควายที่ลากจูงเกวียนนี้ถ้ามีวัวควายสองตัวตัวหนึ่งลากไปทางข้างหน้าตัวหนึ่งลากไปทางข้างหลังนี้ ตัวไหนที่มีกําลังมากกว่ามันก็จะลากเกลียนไปทางด้านนั้นถ้าตัวที่ลากไปข้างหน้ามันมีกําลังมากกว่ามันก็จะลากเกลียนไปทางด้านหน้าถ้าวัวที่อยู่ด้านหลังของเกวียนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงเกลียนให้ไปทางด้านหลังให้ไปถอยหลังดวงวิญญาณของพวกเราหรือจิตใจของ này, ววพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนเกวียนชวนบุญกับบาปนี้ก็เป็นเหมือนวัวที่จะดึง ดวงวิญญาณของเราไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งไปสู่สุขติหรือไปสู่ทุกขติถ้าเราทําบาปมากกว่าทำบุญเวลาร่างกายตายไปบาปมันก็จะดึงใจของพวเราให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปไปนรก <S <S แต่ถ้าบาปถ้าเราทําไว้มีมากกว่าบุญถ้าเราทําบุญไว้มิมากกว่าบาป บุญก็จะดึงให้เราไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆและเวลาที่บุญหรือบาปที่ลงผลนี้มันอ่อนกําลังลงจนมีกําลังเท่าๆกันบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันเหมือนวัวสองตัวที่มีกําลังเท่ากันเวียนก็ไม่ไปทางไหนไม่ไปทางข้างหน้าไม่ไปทางข้างหลังเวลาบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงให้ จิตใจไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงใจิตใจให้ไปอบายได้ตอนนั้นใจิตใจก็จะอยู่ในสภาพของการมลรอเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปนั่นเองนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของบุญของบาปที่จะส่งผลให้กับดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญ ญ, ญาณของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะรู้หรือไม่ก็ตามจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่กดแทงกรรมนี้มันเป็นของตายตัวถ้าทำแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในอบายอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรืออยากจะไปสวรรค์เราก็ต้องพยายามทำบุญทำกุศลให้มากกว่าบาปที่เราได้ทำเอาไว้พยายามงดถ้าตอนนี้เรารู้แล้วเราเชื่อแล้วว่าบาปนี้มีผลต่อจิตใจเราอย่างไรแล้วเราก็ ไม่อยากจะให้มันเป็นผู้ที่จะดึงให้เราไปเกิดในอบายเราก็ต้องหมั่นรักษาศีลห้ากันไว้ให้ดีละเว้นการเสพอบายมุกเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำบาปต่อไปแล้วก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานชนิดต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าบาปเก่าที่เราทำไวน้นี้มันมีกำลังมากน้อยเพียงไร มันยังอาจจะมีมากกว่า บ, บุญที่เราเรามีอยู่ในขณะนี้ก็ได้งั้นเพื่อความไม่ประมาทพยายามทำบุญกันเรื่อยๆทาบุญกันบ่อยๆยิ่งทำบ่อยยิ่งดีเพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทาง่าย <c oughs> เช่นการทำบุญทำทานถ้าใส่บาตรได้ทุกวันนี้มันก็จะดีเพราะว่าเราจะได้สะสมบุญไปเรื่อยๆ เพราะถ้าเรานานๆจะมาสายบาตรสักครั้งหนึ่งมันก็จะได้ไม่มากเท่าที่ควรแต่ถ้าเราทำทุกวันทำไม่มากแต่เมื่อเรามารวบรวม ป, ร, ร, ป ร, ริมาณบุญที่เราทำในหนึ่งปีนี้เราจะรู้สึกว่าทำต้องมากถ้าเราทำแค่ปีละครั้งสองครั้งนี้เราจะทำได้น้อยกว่าดังนั้นพยายามฝึกทำบุญให้เป็นนิสัยทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำบุญกับพระพุทธศาสนาก็ได้เช่น ทำบุญถวายจตุปัจจัยทายาทานให้กับพระภิกษุสามเณรใส่บาตรถวายจีวรสร้างกุฏิถวายยารักษาโรคหรือสร้างถาวรและวัตถุต่างๆให้กับศาสนาคือสร้างโบส์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างวาให้เป็นที่ศึกษาเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร ผู้ที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะได้เอาธรรมอันบ่อันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับศรัทธาญาติโยมที่ยังไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไปเพื่อที่จะได้นํำอาไปปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์และสร้างความถูกให้กับจิตใจ อันนี้ก็สามารถทำได้จะทำกับพ่อพุทธศาสนาก็ได้แต่ถ้าเราเห็นว่าศาสนามีพร้อมแล้วเราจะทำกับบุคคลอื่นก็ได้เช่นทำบุญกับกับบิดามารดาผู้มีก็คุณของเราก็ได้ <Yeah. S 1> อยูแลพ่อแม่ให้ดีเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีหรือมีครูบาอาจารย์ที่เคยให้ให้ความรู้ในตอนที่ไปเรียนหนังสือถ้าเห็นว่าท่านอยู่ อยู่ยากลำบากก็ไปช่วยเหลือท่านไปทําบุญทําทานกับท่านก็ได้อันนี้เป็นงานทําบุญทําทานเพื่อตอบแทนบุญคุณหรือถ้าเราสงสารผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากมากกว่าเราอดอยากขาดแคลนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ทําบุญกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็ได้จะทํากับคนแก่คนชราคนพิการกับ ผู้ที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ก็ทําได้ได้บุญได้กุศลเหมือนกันหรือแม้กระทั่งจะทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้<ช>มีสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขจรจัดมาไม่มีอาหารกินก็หาอาหารให้เขากินไปถ้าเขาอยากจะขออาศัยอยู่ถ้าเราให้ถ้ามีที่อยู่ให้เขาอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปก็ได้<ช><ช>อันนี้ก็จะเป็นการทําบุญเหมือนกัน การทำบุญไม่ได้หมายความว่าจะได้ได้บุญเฉพาะเวลาทำกับพระภิกษุทำกับวัดทำกับศาสนาเท่านั้นบุญเกิดขึ้นได้กับทุกๆุกคนที่เราไปทำด้วยบุญก็คือการทำความดีการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเมื่อเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาที่ใจของเราถ้ า, ถ, าถ้าเรามีความสุขใจมากความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทำบาปมันก็จะถูกความสุขใจนี้กลบเอาไว้ ทำให้เราทำให้บาปนี้ยังไม่สามารถที่จะแสะดงผลขึ้นมาได้แต่ยามใดที่บุญเราน้อยกว่าบาป<ม>ยามนั้นจใจของเราจะเริ่มมีความทุกข์ร้อนใจขึ้นมาทันที<ม>นี่คือข้อที่สองนอกจากไม่ทําบาปแล้วเราก็ต้องมาทําบุญกันให้มากๆตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไป<ม>แต่อย่าทาบุญแบบที่จะทาให้เราต้องเดือดร้อน คือถ้าเราไม่มีทำก็ไม่เป็นไรก็ไม่ทำแต่อย่าไปทำบาปก็แล้วกันอยากถ้ามีก็ทำไปตามกำลังของเราเช่นข้าวของเงินทองนี้ที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เก็บเอาไว้เฉยๆก็ไม่ได้ใช้ได้ทำประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาของเหล่านี้มาแปลงเป็นบุญดีกว่ามาแปลงเป็นบุญเพื่อที่เราจะได้เอาไปต้านบาปที่เราได้ทำเอาไว้ ไม่ให้มันดึงใจของเราให้ตกไปในอบายต่อไปอันนี้คือข้อที่สองห น, นของคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนให้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมคือทําความดีการทําความดีก็คือทําสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับผู้อื่นนั่นเองสิ่งใดที่ทําไปแล้วทําให้คนอื่นเขาเกิดประโยชน์สุขขึ้นมาอันนั้นจะเรียกว่าเป็นการทําบุญเป็นการทําความดเีเป็นการสร้างกุศลให้แก่จิตใจ ถ้าเราได้ทําทั้งสองอย่างนี้แล้วเราก็จะปลอดภัยแต่เรายังไม่ปลอดภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจะปลอดภัยจากการที่จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราทําบุญมากกว่าได้ทำบุญมากกว่ามากกว่าการทําบาปตายไปทุกภพทุกชาติบุญก็จะดึงให้เราไปสวรรค์แล้วลงจากสวรรค์มาเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีนิ ส, สัยชอบทําบุญมากกว่าทําบาปติด ติดตัวเรามาอยู่เราก็จะมาทมําบุญมากกว่าทําบาปไปการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุขติไปเรื่อยๆ <isms. S 2> โอกาสที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติก็จะมีน้อย <isms. S 2> นอกจากถ้าเกิดเหตุเหตุการณ์ที่มันทําให้เราขาดสติแล้วไปทําบาปที่ร้ายแรงขึ้นมาเท่านั้นซึ่งอาจจะทําให้เราจะต้องไปใช้บาปในอบายบ้าง แต่ถ้าเราหมั่นทำบุญทำทานหมั่นรักษาศีลให้เป็นนิสัยถ้าเรายังไม่ได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติตายไปก็ไปสวรรค์จากสวรรค์ลงมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเป็นมนุษย์ก็มาทำบุญทำกุศลและและการกระทำบาปไปชีวิตก็ยังจะเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ดี แต่ก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการแกร่การแกร่การเจ็บการตายอยู่เรื่อยๆไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครสามารถหนีพ้นไปได้ถ้ามีการมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่เมื่อมีร่างกายแล้วร่างกายนี้ก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายตามมาเสมอถ้าไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่มีวันสิ้นสุด ก็จะต้องปฏิบัติตามข้อที่สามที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันนั่นก็คือมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเครื่องเศร้าหมองตัวที่มาสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจตัวที่มาสร้างสร้างพบสร้างชาติให้แก่จิตใจการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเลยก็เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่เอง โมหะอวิชาก็คือความหลงความหลงที่ไปคิดว่าการที่เราจะมีความสุขได้เราจะต้องมีสิ่งสิ่งต่างๆมาเสพเช่นลาบยศสารเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาเสพและการที่เราจะมีความสุขจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่นี้ได้เราก็จะต้องมาเกิดกันมามีร่างกายกันอันนี้เป็นความเห็นผิดเรมิ ช, ชาทิฐิเป็นความหลง ที่พาให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่ได้เจอกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยว่าการหาความสุขจากโลกกระทำทั้งสี่คือหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นการหาความทุกข์เป็นการหาพบหาชาติเป็นการสร้างพบสร้างชาติไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราอยากจะยุติ ค, ความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายเงินว่ายตายเกิด เราก็ต้องยุติการแสวงหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่แล้วให้ไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งดยความสุขที่เกิดจากการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตะจตะภาวนาบำเพ็ญจิตตะภาวนาซึ่งมีแบ่งไว้อยู่เป็นสองระดับด้วยกันคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนานี้เป็นระดับแรก คือการทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้ยุติการทำงานของกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองชั่วข่าวแล้วก็สร้างความสุขให้กับจิตใจเวลาจิตใจสงบเวลากิกเลสตัณหาหยุดทางานใจรู้สึกใจกใจะรู้สึกเบาเย็นสบายมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากการไป ได้ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขมเสร็ถ้าเราสามารถสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้มันก็จะทําให้เรานี้สามารถเลิกเลิกการไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จ, จากาจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพชนิดต่างๆได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันเป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าความสุขที่เกิดจาก การได้ลาบยศสรเสริญได้ความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผดภชนิดต่างๆนั่นเองอันนี้เป็นขั้นแรกของการประชำนาจิตใจก็คือหยุดการทำงานของกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวด้วยการเข้าสมาธิสมถะภาวน า, าก็คือการทำใจให้สงบนิ่งที่เรียกว่าเป็นสมาธินี่เองและการที่จะทำให้ใจสงบนิ่งได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีสติ เป็นผู้คอยกำกับคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งอยู่เรื่อยเพราะความคิดปรุงแต่งของใจคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อันนี้แหละที่จะทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบถ้าอยากจะทำให้ใจนิ่งให้สงบต้องมีสติคอยกำกับคอยหยุดความคิดให้ได้สตินี้ก็เป็นเบรของใจเหมือนกับเบรของรถยนต์ รถยนต์ที่วิ่งอยู่นี้จะทำให้รถยนต์จอดได้ก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะไม่รถยนต์ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปชนอะไรถึงจะหยุดได้ <Yeah. S 1> จิตใจของเราก็เช่นกันถ้าเราต้องการให้จิตใจเรานิ่งจิตใจสงบให้เป็นสมาธิให้เกิดความสุขจากความนิ่งสงบเราจำเป็นที่จะต้องมีสติไว้คอยควบคุมคอยหยุดความคิดให้ได้ yeah. ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้จิตก็จะนิ่งเป็นสมาธิไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบก็เลยต้องกลับไปเพิ่มความสุขจากโลกธรรมทั้งสีก็คือต้องกลับไปหาความสุขจากลาบยศฉรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆและเมื่อไปหาความสุขจากโลกธรรมก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ อันนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาสร้างเบรกของใจขึ้นมาให้ได้ถ้าเรามีสติเราจะหยุดความคิดปุงแต่งได้จะทำให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะทำให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากโลกกะระทำทั้งสีคือลาบยศสารเสริญสุขได้นั่นเองดัง น, นั้นสิ่งที่เราต้องการต้องทาให้มากๆ ก็คือการฝึกสตินั่นเองการเจริญสติซึ่งคำว่ามากนี้ก็หมายถึงต้องทำตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรานอนหลับในเวลาที่เราตื่นนอ น, นเวลาที่เราไม่ได้ับได้นอนไม่ได้ทไม่ได้หลับนอนนี้เราควรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็มีอยู่ในขณะนี้ขณะนี้เราก็มีสติอยู่บ้างแต่มีสติไม่เต็มร้อยสติของเรา มักจะมีสั้นๆคอยหยุดความคิดความอะไรได้เพียงแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็คิดใหม่อยู่เรื่อยๆเราจึงต้องพยายามเพิ่มสติให้มีกำลังมากขึ้น<ช>ด้วยการพยายามเจริญกรรมฐานกรรมฐานนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เราหยุดความคิดทำให้เรามีสติได้กรรมฐานก็คืออารมณ์ต่างๆที่เราสามารถใช้มาควบคุมให้ใจของเราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นั่นเอง เช่นถ้าเราใช้กรรมฐานที่เรียกว่าพุทธานุสติให้เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าแทนที่เราจะคิดถึงเงินทองคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดถึงความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเรามาคิดถึงพระพุทธเจ้ากันก็ได้ถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องลาบยศสารเสริญสุขได้ วิธีคิดถึงพระพุทธเจ้าก็มีแบบแบบย่อและแบบพิศดารแบบแบบย่อก็คิดชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้า แ, แบบพิศดานก็ให้คิดถึงพร ะ, พ, ระพุทธคุณเช่นสวดบทอิติปิโสไปอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวดไปภายในใจทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือถ้าเราไม่อยากจะสวดเราก็ใช้พุทโธพุทโธ เราสวดหรือเราเจริญพุทโธช่วขณะที่ใจยังคิดปรุงแต่งอยู่แต่พอเราไม่คิดปรุงแต่งแล้วเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราก็หยุดพุทโธได้ถ้าใจเราสัแต่ว่ารู้เฉยๆรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่รู้ว่าเรากําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันถ้าเรารู้อยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เราไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้ไม่ต้องใช้การส่วนพุทธานุสติก็ได้เ<ม>นเป้าหมายของเราก็คือต้องการจะหยุดความคิดให้จิตรู้เฉยๆจิตนี่มีความคิดด้วยมีความรู้ด้วยส่วนใหญ่เราจะคิด<ม>เวลาเราคิดมันก็จะทําทให้ใจเราไม่สงบเราต้องการจะทําทให้ใจให้สงบเราก็ต้องหยุดความคิดให้เหลือแต่ความรู้<ม>ด้วยการใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป พอลืมตาขึ้นมาตื่นจากที่นอนมาก็ลืมตาขึ้นมาก่อนก่อนจะทําทอะไรก็ตั้งสติก่อนพุทโธพุทโธไปก่อนอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปทําหน้าที่ของเราอาบน้ําล้างหน้าแปลงควันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้ายอย่างนี้ความคิดมันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะทําให้จิตสงบง่ายเวลานั่งหลับตาแล้วก็พุทโธต่อไป พุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้ลมก็ได้บางทีพุทโธกับลมบางทีมันมันมันทำให้ยากก็เอาอย่างเดียวเอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าเราจะเอาลมหายใจก็เอาลมหายใจอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดแต่ถ้าเราสามารถใช้พุทโธกับลมควบคู่ไปได้เพื่อหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้เหมือนกันมีมีสาวิธีด้วยกันพุทโธอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวหรือดูลมด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยก็ได้ วิธีไหนที่ทําให้ใจเราหยุดคิดทําให้ใจเรานิ่งสงบเป็นสมาธิได้เราก็ใช้วิธีนั้นก็ได้เป้าหมายก็คือต้องการให้ใจนิ่งสงบให้เกิดความสุขขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเพึ่งความสุขจากโลกธรรมจา ก, ากลาภยศเสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนั่นเองถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถตัดภพตัดชาติตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปได้ไ ด, ด้วยกําลังของสติ และด้วยกำลังของปัญญาขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจด้วยว่าทำไมเราถึงไม่ควรที่จะไปโลภไปอยากได้สิ่งต่างเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวแล้วในที่สุดมันก็จะเสื่อมไปหมดไปเวลาเสื่อมไปหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์แล้วมันจะทาให้เราต้องไปหามันใหม่อยู่เรื่อยๆเมื่อต้องไปหามันอยู่เรื่อ ย, เ ร, อยเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อ ย, อยนั่นเอง ดังนั้นอย่าไปหาความสุขที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวให้หาความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรก็คือความสงบความนิ่งความปราศจากความอยากของใจตัดความอยากตัดความโลภทุกครั้งที่เกิดขึ้นให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ให้ความสุขเดี๋ยวเดียวพอหมดไปมันก็จะให้ความทุกข์กลับมาทุกครั้งไปให้เห็นอย่างนี้แล้วต่อไป เราก็จะสามารถกําจัดความโลภความอยากต่างๆที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนั้นสิ้นสุดไปจากใจได้เราก็จะอยู่แบบไม่มีความโลภไม่มีความอยากอยู่กับความสงบที่มั่นคงที่ถาวรไปตลอดความสงบความสุขที่มั่นคงถาวรไปตลอดนี้เราเรียกว่าพระนิพพานนั่นเองคือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ได้รับการชำระจากการ การปฏิบัติจิตตภาวนาเบื้องต้นก็ใช้สมถภาวนาใช้สติหยุดความคิดต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขในใจแล้วเมื่อมีความสุขในใจแล้วขั้นที่สองก็ให้เจริมีปัสสนาว่าอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆทัง้งหลายทั้งปวงเพราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นของชื่วกราวให้ความสุขไม่ไม่ไม่ไม่ตลอดเหมือนต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมด ให้เราอยู่กับควา ม, วามสงบอยู่กับความเนือ่องดีกว่าด้วยการตัดความอยากต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาด้วยปัญญาถ้าเรามีทั้งสมถะภาวนามีทั้งวิปัสสนาภาวนาเราก็จะสามารถกําจัดความอยากความโลภโมหะอวิชชาที่เป็นตัวที่มาคอยผลักดันมาดึงให้จิตใจเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปทุกข์กับการแก่การแก่การเจ็บการตายอยู่เรื่อย ต่อไปภพชาติของเราก็จะสิ้นสุดลงการเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลงเมื่อเราสามารถกำจัดความโลภความอยากโมหะอวิชชาต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปจากใจของเราใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นใจแบบเดียวกับของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูปที่มาเข้าพระพุทธเจ้าในวันนี้ ท่านเหล่านี้เมื่อก่อนท่านก็เป็นจิตใจเหมือนพวกเรามีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเหมือนกับพวกเราแต่พอหลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติท่านก็สามารถชําระจิตใจให้สะอาดบริสุดทําให้จิตใจกล า, ายเป็นจิตใจที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดติกต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของวันมาคาบบูชาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยัทาวาริวาหาปุราปิริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปะติอิชิตังปะิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันะราโสยะามณิโชติอาวโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตาลโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานัสสลิตะนิจจาวุทาปจายโนจัตตารุธรมาวาทันติอายุวันโอสุขังภาลัง